บทว่าธนวาความว่าเป็นผู้มากไปด้วยซัพย์คือปัญญาที่พึงสรรเสริญเป็นผู้ผู้เป็นไปด้วยซัพ์คือปัญญาที่ประกอบไว้เป็นกิจเป็นผู้เป็นไปด้วยซัพ์คือปัญญาโดยความดียิ่งชื่อว่าเป็นผู้มีซัพเนี่ยนะอันพระองค์เนี่ยเป็นผู้มีซัพ์มากไปด้ว ย, ยปัญญาเนี่ยนะมีปัญญากว้างขวางหาที่สุดไม่ได้ มีพระองค์เนี่ยทำอะไรทุกอย่างประกอบด้วยปัญญาทั้งหมดภาษารีบทรั้นแสดงความสําเร็จแห่งอัตตะสมบัติคือความบริบูรณ์ของพระองค์เนี่ยนะของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยปัญญาคุณอย่างนี้แล้วเมื่อจะแสดงความสําเร็จโลกะหิตะสมบัติด้วยปัญญาคุณนั่นแลอีกพระองค์เนี่ยนะถึงพร้อมด้วยคุณของพระองค์เนี่ยก็เพราะปัญญาของพระองค์ ในขณะเดียวกันเนี่ยความที่พระองค์มีปัญญาพระองค์ก็อาศัยปัญญานี่แหละช่วยสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์สัตว์โลกทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้ า, าทรงเป็นผู้นำเหล่าเวนยสัตว์ในที่นั้นจากที่มีภัยคือสังสารวัตรนำไปสู่ที่ปลอดภัยคือพระนิพพานเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอยู่ด้วยชาติภัยชาราภัยพญาที่ภัยมรณะภัยสโสกะปริเทวทุกขโทม น, นัอุปายาตภัยเนี่ย ภัยทั้งหลายมีอยู่ในขันธาตุอายตนะพระองค์ก็นําออกจากภัยเหล่านั้นเนี่ยนะพาไปสู่ที่ปลอดภัยคือพระนิพพานพระองค์นี้ทรงเป็นผู้แนะนําเวนยศัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะพระองค์แนะนําด้วยสังวรวินยัยพระองค์แนะนําสัตว์ทั้งหลายด้วยศีลสังวรสติสังวรญาณสังวรวิริยะสัง ว, วรงวขันติสังวรพระองค์ก็แนะนําสัตว์ให้ตั้งอยู่ในตะทังข้าววินัยป ะ, ะนะ แต่ทางข้าประหารวิขมพนาประหารสมุเฉทประหารปฏิปัสสติประหารแล้วก็นิสรณประหารอันพระองค์เนี่ยแนะนําในสรุปว่าแนะนําในศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานัทสนะในการเป็นที่แนะนําในที่นั้นนั่นและนะอันการแสดงธรรมของพระองค์ก็แสดงธรรมเพื่อสังวรวินัยกับประหานวินัยสัตว์ทั้งหลายที่ฟังแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติตามก็คือปฏิบัติในสังวรวินัยและประหารวินัยนั่นเอง ทรงเป็นผู้นำเนืองๆด้วยการตัดความสงสัยในเวลาทรงแสดงพระธรรมนั่นแหละมันความสงสัยของสพ ร, รพสัตว์ทั้งหลายมีประมาณเท่าใดพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมเพื่อตัดความสงสัยของเขาเมื่อทรงตัดความสงสัยแล้วก็ให้รู้ประโยชน์ที่ควรรู้เชื่อว่าให้รู้ประจักษ์ประโยชน์ทรงให้เพ่งพินิษด้วยเหตุแห่งการตั้งใจแน่วแน่ถึงประโยชน์ที่ให้รู้จักอย่างนั้น พระองค์ก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้เพ่งประโยชน์นะไม่ว่าจะเป็นประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าโดยเฉพาะคําสอนว่าด้วยอริยสัจก็เพื่อให้เพ่งถึงประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานทรงเป็นผู้เห็นประโยชน์ที่ให้เพ่งพินิจแล้วอย่างนั้นด้วยคมสา ม, มารถแห่งการประกอบในการปฏิบัติ น, นะเมื่อเห็นประโยชน์คือพระนิพพานแล้วพระองค์ก็บอกว่าอา้าวการปฏิบัติด้วยศีลสมาธิปัญญาณนะบำเพ็ญไตรสิกขาเป็นการปฏิบัติเพื่อแทงตลอดพระนิพพาน ทรงให้ยินดีด้วยผลแห่งการปฏิบัติในประโยชน์ที่ดำเนินไปแล้วอย่างนั้นให้เพลิดเพลินว่าอาถ้าปฏิบัติได้รับบรรลุเป็นพระโสดาบันปิดอบายได้ถ้าเป็นพระสกท า, าคามีก็กลับมาสู่โลกนี้ครั้งเดียวถ้าเป็นพผ้านาคามีก็ไม่ต้องกลับมาสู่กามาโลกโดยปฏิสนธิถ้าบรรลุเป็นผ้าอรหันก็พ้นจากวัตรทุกข์ทั้งมวลเนี่ยนะอั น, นพระองค์นี้ทรงให้ยินดีในผลแห่งการปฏิบัติบทว่าอนุ ป, ปนาาันนัสามัคคสุอุปปาเทตาความว่า ทรงรำอริยมรรคซึ่งเป็นเหตุแห่งอาสาธารณญาณหกที่ไม่เคยเกิดขึ้นในสันดานของพระองค์ให้เกิดขึ้นในสันดานของพระองค์ณโคนต้นไม้โพเพื่อเกื้อกูลแกสัตว์โลกเนี่ยนะอันพระองค์นี้ก็อบรมส ม, มถาวิปัสนาเนี่ยนะทั้งส ม, มถาวิปัสนาที่ควบคู่กันไปบรรลุสกาธาคามิมักอนาคาโสดาปฏิมักสกาธาคามิมักอนาคามิมักและอรหัตตมัก นี่อรหัตตะมักของพระองค์เนี่ยก็เป็นเหตุแห่งยามที่ไม่สาธารณะแก่บุคคลอื่น6อย่างก็คืออาสยานุสย า, ยาอินทรยปรประยตยานยมกะปาฏิหารย า, ยานมหากรุณาสมัตสมบัติยานสัพพัญยุตยานและอนนาวรณายานเมื่อพระองค์เนี่ยบริบูรณ์ด้วยอาสาธารณยานหกอย่างนี้ในขันธสันดานใจของพระองค์ก็น้อมไปเพื่อจะเกื้อกูลสงเคราะห์ต่อสัตว์โลกเนี่ยนะ ให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รับประโยชน์บทว่าอาสัญชาติสะมคษะฉันสันฉนีตาความว่าทรงรรมักอันเลิศซึ่งเป็นเหตุแห่งสาวกบารมียานที่ไม่เคยเกิดขึ้นพร้อมในสันดานเวนยสัตให้เกิดพร้อมในสันดานของเวนยสัต น, นะคือ ภาษาบๅษีเนี่ยไม่บรรลุสาวกบารมีญาณพระองค์ก็แสดงทําให้ภาษาบุตรเนี่ยบรรลุสาวกบารมีญาณแม้พระมหาโมคคลานะพระมหากะสปะพระอนุนเป็นต้นเนี่ยนะจำเดิมแต่ทรงยังธรรมจักรให้เป็นไปจนถึงการปัจจุบันนี้เฉะนพระพุทธเจ้าก็ชื่อว่าเป็นผู้ทรงให้เกิดนั้นผู้ใดที่บรรลุมรรคผลนิพพานตั้งแต่พระองค์แสดงธรรมจักกับปวัตนนสูตรไล่มาจนถึงปัจจุบันหรืออนาคตต่อไปเนี่ยนะ มันก็ชื่อว่าผู้ที่บรรลุมรรคผลทั้งหมดก็ชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงให้เกิดขึ้นพร้อมเพราะทรงทําอริยมรรคให้เกิดพร้อมในสันดานแม้ของเราพระสาวกพุทธผู้เวไนผู้ปฏิบัติตามพระดํารัสที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วนั่นแหละถ้าหากว่าผู้ที่บรรลุมรรคผลถ้าไม่ได้ฟังคําสอนประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะบรรลุมรรคผล บทว่าอนาาะะาอักขาตัสะมัคขาอักคาตาความว่าตรัสบอกอริยมรรคที่เกิดขึ้นนโคนไม้โพเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าของเหล่าโพธิสัตว์ผู้ประกอบด้วยธรรมะแปประการสร้างอภินิหารเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคือพระองค์เนี่ยบรรลุมรรคผลนิพพานตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะในขณะเดียวกันพระองค์ก็แสดงคํา แนะนำว่าผู้ใดปรารถนาบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องประกอบด้วยธรรมะแปดประการนะคือความเป็นมนุษย์เป็นต้นเนี่ยนะแล้วตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าหรือด้วยเหตุเพียงพยากรมักหรือความมีบา ร, รมีซึ่งไม่เคยประทานพยากรตรัสบอกว่าจากเป็นพระพุทธเจ้าในยะนี้ย่อมได้แมมในการพยากรพระประเจพระพุทธเจ้าอันพระองค์นี้ชี้นาแม้กระทั่งว่าผู้ที่ ประพฤติปฏิบัติ บ, ตบำเพ็ญบารมีเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในขณะเดียวกันก็ชี้นําแม้กระทั่งว่าผู้ที่ปรารถนาบรรลุพร ะ, ะบรรลุเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าบทว่ามัคคัญจูความว่าทรงรู้อริยมรรคที่เกิดขึ้นแก่พระองค์ด้วยสามารถแห่งการพิจารณาคือพระองค์เนี่ยพิจารณามรรคนะบทว่ามัคควิฑูความว่าฉลาดในอริยมรรคที่พึงเกิดขึ้นในสันดานของเวนยสัตว์อ่ะนะ พอองค์เองเนี่ยก็สามารถทําอริยมรรคให้เกิดขึ้นในขันธสันดานในขณะเดียวกันเนีย่ยนะพระองค์ก็ชี้นําแนะนําอริยมรรคให้เกิดขึ้นในสันดานของเวนยศัตว์ทั้งหลายบทว่ามัคคโกวิโทวความว่าเห็นแจ้งในมรรคที่ควรบอกแก่เหล่าโพธิสัตว์นะมรรคที่ควรบอกแก่พระโพธิสัตว์ ก็คือทรงรู้มักเพื่อบรรลุอภิสัมโพธิยานฉลาดในมักว่าอ้าวปฏิบัติอย่างนี้นะบัมเพนทานศีลเนคขมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาอุเบกขาบัมเพนเป็นอุปปารมีปรมัทธารมี ป, ร ม, ป, ร, มปรมัทธ์ปรมัทธารมีมหาบริจาคหอธิฐานธรรม4จริยาสเนี่ยน ะ, ะประพฤติปฏิบัติตลอดระยะเวลา4อสงไขยกำไรแสนกลับจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ก็แนะนําข้อปฏิบัติเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงชี้แจงมรรคเครื่องปรุงนะเครื่องบรรลุปจจ ก, กโพธิญาณทรงฉลาดในมรรคเครื่องบรรลุสาว ก, กโพธิญาณนั้นข้อปฏิบัติเพื่อให้อริยมรรคที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระประจัจกหรือเป็นพระสาวกเนี่ยพระองค์เนี่ยฉลาดในข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคเหล่านั้นทั้งหมดอีกอย่างหนึ่งเราสัตว์ย่อมกระทําการประกอบ ในที่นี้ตามลําดับด้วยคมสามารถแห่งมรรคของพระพุทธเจ้าพระปัเจกพระพุทธเจ้าพระสาวกในอดีตอนาคตและปัจจุบันที่ตามประกอบเนี่ยนะมีความบาลีว่าสัตว์ทั้งหลายข้ามโอเคแล้วในอดีตข้ามในอนาคตหรือที่กําลังข้ามอยู่ในปัจจุบันสัตว์ทั้งหมดนั้นก็ข้ามด้วยอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8นี่แหละ ผู้ใดที่บรรลุมรรคผลนะไม่ว่าจะเป็นอดีตหาบที่สุดไม่ได้พระพุทธเจ้าพระองค์ไหนก็ตามหรือพระพุทธเจ้าที่จะมีต่อไปในอนาคตหรือพระอริยะทั้งหลายที่บรรลุอยู่ในปัจจุบันนี่นะพระอริยะเหล่านั้นทั้งหมดบรรลุด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ด้วยคามสามารถแห่งสุญญาตามมรรคอนิมิตตมรรคและอัปปนิหิตมรรคเนี่ยนะและด้วยคามสามารถแห่งมรรคของอุคติตัญยวิปัญจิตันยนิยบุคคน มัคที่ที่บรรลุอริยสัจเนี่ยนะบางพวกก็บรรลุด้วยสุญญตมัคคือมากด้วยอนัตตานุปัสนาบางพวกก็บรรลุด้วยอนิมิตตามัคคือมากด้วยอนิจจานุปัสนาบางพวกก็บรรลุด้วยอัปนิหิตามัคคือมากไปด้วยทุกขานุปัสนาทีนี้ผู้ที่บรรลุมัคเนี่ยบางคนเนี่ยแค่ยกหัวข้อขึ้นแสดงก็บรรลุมัคผลเรียกว่าอุคติตันยูบางพวกก็ต้องขยายความมากกว่านั้นเรียกว่าวิปัญจิตันยู บางพวกก็เรียนแล้วเรียนอีกฟังแล้วฟังอีกกว่าจะบรรลุได้พวกนี้เรียกว่านายา บ, บุคคลบทว่าปัจฉาสมนาคตาพระองค์เนี่ยประกอบด้วยคุณมีศีลเป็นต้นภายหลังพระพุทธเจ้าผู้เสด็จไปก่อนอันนะคือหมายถึงภาษาวกทั้งหลายภาษาวกนี่ก็บรรลุศีละคุณเป็นต้นตามพระพุทธเจ้า เพราะคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นของพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ทั้งหมดอาศัยอรหัตตะมักเท่านั้น่ะมาแล้วเพราะฉะนั้นพระเถระจึงกล่าวว่าคุณคืออรหัตตะมักเท่านั้นว่าอนุปันนสะมัคคสะอุปาเทตาเป็นต้นบทว่าชานังชาาติความว่าทรงรู้ธรรมะที่ควรรู้อธิบายว่าพระองค์นี้ทรงรู้ธรรมะที่ควรรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะและ ที่เป็นทางที่ควรแนะนําทุกอย่างด้วยปัญญาเพราะความเป็นสัพพันญูคือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะอดีตอนาคตปัจจุบันอภินญญาธรรมปริญญาธรรมปรหาตปธรรมสัชกาตประธรรมภาเวตปธรรมเนี่ยพระองค์ก็รู้ด้วยปัญญาแล้วก็แนะนําข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุคุณธรรมต่างๆสาหรับภาษาวกทั้งหลายก็พระองค์เนี่ยบรรลุด้วยปัญญาเนี่ยนะเพราะความที่พระองค์เนี่ยเป็นพระสัพพันยูรู้สรรพสิ่งทั้งหมด บทว่าปัสสังปัสติความว่าทรงเห็นธรรมะที่ควรเห็นอธิบายว่าทรงเห็นธรรมะที่ควรแนะนําทั้งหมดคือสังวรวินัยปหานมินัยเนี่ยนะด้วยปัญญาจักสุทรงทําให้เป็นเห็นด้วยจักสุคือเหมือนเห็นด้วยตานี่แหละปัญญาของพระองค์เหมือนดูอยู่ด้วยตาเพราะเป็นผู้เห็นอยู่ทุกอย่างอีกอย่างหนึ่งบุคคลบางคนเมื่อถือวิปริลถึงรู้อยู่ก็ไม่เป็นอันรู้ถึงเห็นอยู่ก็ไม่เป็นอันเห็น คนที่เห็นคลาบเคลื่อนน่ะนะเห็นไม่ตรงต่อความเป็นจริงอ่ะเห็นก็เหมือนไม่เห็นนั่นแหละชันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงเป็นฉันนั้นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถือเอาตามสภาวะเพราะฉะนั้นเมื่อทรงรู้ก็เป็นอันรู้ทีเดียวเมื่อทรงเห็นก็เป็นอันเห็นทีเดียวพระผู้มีพระภาคเจ้านี้นั้นทรงมีพระจักสุขด้วยอัตว่าเป็นปรินายกแห่งการเห็นปรินายกนายกก็คือผู้นาเนี่ยนะ ก็แปลว่าเป็นผู้นำรอบในการเห็นทรงมีญาณด้วยอาจว่าผู้กระทาให้รู้แจ้งทรงมีธรรมะพระธรรมว่ามีสภาวะไม่วิปริตหรือพระอาจว่าสําเร็จด้วยธรรมะที่ทรงนำเรจด้วยพระหาฤทัยแล้วทรงเปล่งด้วยพระวาจาทรงแนะนำพระปริยัติธรรมทรงเป็นพรมด้วยอาจว่าประเสริฐเนี่ยนะพระพุทธเจ้าแนะนำด้วยปริยัติเนี่ยนะันทาในยุคนี้นะ ใครไม่สนใจปริยัติก็แสดงว่าไม่สนใจข้อแนะนําของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจริงอ่ะพระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนําพระปริยัติธรรมอีกอย่างหนึ่งทรงมีจักสูุพระารรมว่าเป็นเหมือนจักสุเนี่ยนะพระองค์เนี่ยมียานเพราะเป็นเหมือนพระยานทรงมีธรรมะพระธรรว่าเป็นเหมือนธรรมะทรงเป็นพรมเพระารรมว่าเหมือนพรมพระผู้มีพระภาคเจ้านี้นั้นเป็นผู้ตรัสบอกเพราะตรัสบอกธรรมะหรือตรัสสอนธรรมะ เป็นผู้แนะนำเพราะตรัสบอกหรือตรัสสอนโดยประการต่างๆเป็นผู้นำออกซึ่งประโยชน์เพราะนำประโยชน์แสดงเป็นผู้ให้อมะตตธรรมเพราะแสะดงข้อปฏิบัติเพื่อบรุอมะตตธรรมนะเพราะที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าให้นิพพานเนี่ยนะก็คือสอนข้อปฏิบัติเพื่อบรุนิพพานนั่นเองหรือให้สัตบุรุอมะตะธรรมด้วยพระธรรมเทศนาที่ประกาศอมะตตธรรม พระองค์นี้เป็นพระธรรมมัสมีเพราะธรว่าเป็นใหญ่ในธรรมเพราะเป็นผู้เข้าถึงโลกุตระธรรมหรือพระองค์เนี่ยเป็นผู้ให้โลกุตระธรรมเนี่ยเกิดขึ้นอย่างถ้าพระองค์ไม่แสดงอริยสัจเนี่ยนะไม่ประกาศสัจธรรมมรรคก็เกิดไม่ได้ถ้าอริยมรรคเกิดไม่ได้การแทงตลอดพระนิพพานก็มีไม่ได้ฉะนั้นพระองค์เนี่ยประทานโลกุตระธรรมตามสบายโดยอนุรูปแก่เวนยสั์ แม้การแสดงธรรมะเพื่อบรรลุมรรคผลเนี่ยนะพระองค์ก็แสดงตามอัธยาศัยของสัตว์บรรทัต่อไปก็ขยายคําว่าเป็นพระสัพพัญญูให้สําเร็จเนี่ยนะว่าที่ชื่อว่าสิ่งไม่ที่ไม่รู้เนี่ยนะย่อมไม่มีแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะเป็นอย่างนั้นคืออะไรก็ตามอะที่พระองค์ไม่รู้อะไม่มีหรอก พระองค์เนี่ยทรงปราศจากความลุ่มหลงพร้อมทั้งวาสนาในธรรมทั้งปวงด้วยอรหัตตมัคคิยามที่สำเร็จแต่อำนาจคือมาจากผลบุญบารมีเนี่ยนะเพราะทรงรู้ธรรมะทั้งปวงโดยไม่ลุ่มหลงและเชื่อว่าสิ่งที่ไม่เห็นก็ย่อมไม่มีเหมือนอย่างนั้นนั่นเทียวเพราะทรงเห็นธรรมะทั้งปวงด้วยญาณจากักษุเหมือนด้วยตาเชื่อว่าสิ่งที่ไม่ทราบชัดไม่มีเพราะบรรลุแล้วด้วยพระญาณ เชื่อว่าสิ่งที่ไม่ทําให้แจม่มแจ้งย่อมไม่มีเพราะทรงกระทําให้แจม่มแจ้งแล้วด้วยการกระทําให้แจม่มแจ้งซึ่งยังไม่ลุ่มหลงเนี่ยนะเชื่อว่ามิได้ถูกต้องด้วยปัญญาย่อมไม่มีเพราะทรงถูกต้องแล้วด้วยปัญญาที่ไม่ลุ่มหลงนั่นะ